รู้อย่างโลกทั้งหลายไม่รู้เห็นอย่างโลกทนี้โลกทั้งหลายไม่เห็นละทนี้โลกทั้งหลายละไม่ได้นี่คําว่าโลกก็สามโลกเลยใครละได้หใครรู้ได้ไม่มีใครรู้ถูกหนุษนิสิตตาด้วยจิเลศหมดเลยเหมือนกับเอาผ้าปิดตาไว้เจ้าเปิดตาออก ปฏิตพระเนตคือภายในพระไทยออกทนั้นโลกหมดเลยอาโลกูดปาดีสว่างโลกทั้งกลางวันกลางคืนโลกวิธูแจ้งหมดทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั้ดนี่อันเหล่านี้ไม่เห็นไม่รู้พูดไม่ได้เขางเห็นพอเจอเท่านั้นนำมาประกาศโลกได้ไม่ใช่ทกสถานเลย เดินไปเห็นเส้อเดือนมันอดชิดไม่ได้นะเสืเดือนอยู่ตามมันคืบมันค้านอยู่ตามนะมันอดชิดมาได่นะเพราะมันสะเทือนนี่กับจิดนั่นสะเทือนกันแต่ก็เลยใส่น เ, ใสเนาะใสเนาะตับดุกระใจไม่มว่ามากพืออะไร ตอนนั้นคนจะมาอะไรก็รู้กันอยู่แล้วถ้าจะชิดเนี่ยนี่มันไม่ชิดยิ่ง ก, กว่ากันว่าอยากมาหายผลไม่ได้นกะารอยากมาถ้าเป็นเหตุผลก็เป็นเหตุของกิเลสนั่นแหละมัเป็นเหตุผลของทำ อ, อะไรแล้วแน่นอัดแน่นั ด, ดกั น, น, นเลย่านี้รับแขรับคนผมยังไม่รับเรื่อยทุกวันนี้มันหดเข้ามาหดเข้ามานะจิต ใ, ใจ พอท่าขันมันพาให้หดอิจารามันวันนมันอย่ากเล่นกับใครเลยพูดกับใครนี่เหมือนการเช้่อตานช้างนี่ใครมาถามอะไรผมเนี่มันอยากพูดก็รอพูดทีเดียววาระเดียวเลยพูดพรคนนั้นคนนี้อยู่เลยนี่ผมไม่อยากเลยเพราะงั้นเขามาถามมังเฉยครับตอนพวกรับทางกับรับทานนี่พวกคุณมาถามกมาถามแล้วไม่จําเป็นจริง ก็ไม่เช่าจะมาถามมาอะไรนี่ที่ผมถ้ามันจําเป็นผมก็ไม่ตอบเฉยมันถึงเวลาที่จะพูดถึงจะพูดทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะเหมือนกับว่าสงวนไว้ออกความที่มันหลบมันหลีกมันเป็นของมันน่นนะเพราะธาตุมันไม่มีกําลังพ อ, อเล่นกับอะไรอยู่ลำพังคนเดียวอยู่ของกังชุ่มอยู่นั่น นั่นพ่อเหมาะพอดีพอแม่ครูจรันนี่ยท่านไม่มีใครเหมือนท่าน อ, อันนี้ก็ดีนะก็ท่านอยู่แต่ในป่าในเขาท่านไม่ออกมาเกี่ยวข้องกับผู้คนเลยใครจะไปตามไปหาท่านได้ง่าย ๆ, ๆาว่าาใกล้กนน็น้องผือ ขาห้าหกว่าจนเดินไปแทบเป็นตายคนเดินขาท่านนี่มันสะดวกในเยือบต่างๆท่านนะเพรานนะฉันแล้วท่านก็ออกจากเนื้อเข้าห้องน้ำข้าขึ้นกุฏิมีอะไรก็มีกุฏิจะต้องเล็กน้อยท่านก็เ ข, ข้าพักพอบ่ายท่านก็ออก พักพักพอประมาณคนแก่จะไปพักมากอะไรอะไรนะัก น, นั่นมาไงมดูดิเปิดประตูดูดิแท่กันนี่หน่อยนะผมแท่สํำบากนะคุ้ฝืนไปเฉยแท่าลำบากตาดคันมันเหนื่อยท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่สบายท่านอย่างนั้นตลอดีวันโคันก็มี ไม่มีใครไปยุ่มท่านเลยเพราะใครไม่รู้นี่แต่ก่อนไม่มีใครรู้ท่านท่านอยู่ท่านส บ, บายสบายแตนว่านมลกับแบบเดียวกันไม่มีใครไปยุ่มท่านอ๋อนั่นเงิน น, นอนนาทีนอนอ๋อเมืนน่อนอนจะห้อยแขนอยู่กับปกโซ่ปกขาห้อยแขนนะอบย้อนกลับมานาทีนอนปัญหาที่สบายสบายนนท่าน อิหารธรรมท่านอยไม่ยุ่งก็ไปพวกโซ่พวกขามาลอยแชนนั่นไปอยู่นั่นแล้วก็ย้อนกลับมาอยู่นาีินวนนั้นวัดล่างของเขาผมไปเที่ยวคูเขากลับลงมาก็ไปหาท่านที่นั้นมันนาีนาินวนก่อนเป็นโรงหมดนนี่ ัไปบ้านโคไปดงตร ง, งนั้นป่านเพราะงั้นท่านกับไปเผาศพแลงวปู่เสาร์นั่นอุตส่าห์ไปนะ่าเดินก็มีรถมีลาเดินจากนาซีนวั น, นี้ถึงนาแจมตอนนั้งก็กไปทักดงขึ้นรถไป พ, พอเผาศพเสรจ็จจางวันนี้พรุ่งนี้ท่านก่อเลยมีไหนท่าน มากนันนก่นก็ัก็มาอยู่วัดอ้อมแก้ววัดอ้อมแก้วเนี่ต้องปูเส า, นสาหน้าผู้ไสร้างไว้อหมก็มาฝั่งแดงอย่างผมว่านะทํามาบ้านนามนจำมัมาสายท่นามนนี่สงสัด ส, ง, ส, ง, สงัคนแต่ก่อนคนไม่รู้ท่านก็มีะก น, นี่แหละยอมนุม่ม เ, เคยเป็นลูกับหั เราเลี่อนไปเราออกงา น, น, นเขามวลท่านมาน้องผืนท่านก็เดินทางมานะแต่นุ่นมาน้องผืนดังนั้นผมไม่อยู่ผมเที่ยวท่านมาถึงตอนเดือนเนสาตอนเดินหนึง่งนุ่นผมจนกระทั่ง เงนทุมนานผมขึ้นมามาน้องผท่านานะก็อยู่นั่นเลยด้ ว, ดดวนนินินนะมอยู่บ้านน้องผื้ัท่านก็เสมอเอียบทลของอท่านไม่มีเคลื่อนขั้นถึงเวลาดนโกมตั้ ง, งลง ตอนบ่ายทัานออกจากที่เราไปหาท่านเล็กน้อยนั่นแหละถ้าใครจะพูดธํานะอะไรตอนบ่ายตอนหนึ่งแล้วตอนปัดกวาดแล้วอ่านน้าแล้วก็ตอนเคนนนนลื น, นใจ่ฉันน้ํารนะ้อนเรื่องท่านไมนน้าเย็นนะผมดูคอนเสิร์ตฉันแต่รื่อฉันแตน้ําร้อนแล้วก็หยุดเลยน้าร้อนน้ําำชาไปชาเชียงใหม่ นั้นอะไรนะนั้นแต่ว่าที่เขาส่งมาเรื่อยๆแม่ขาดจากเชียงใหม่ชาเชียงใหม่ชาที่เขาหาเอาโดยเฉพาะนะเขาอยากสามใบข้อยอดสามใบข้อยอดยอย่างดีๆเขามาหลามโอ้ยหอมนะขนาดส่งมาส่งมาเรื่อยๆจากเชียงใหม่เออนั้นยืนนั้นยื น, น, น, ยนส่งมาเรื่อยๆ ไม่ี ใ, ใ, ใครฉันกับท่านนี่ท่านอยปกติผมก็วันไมน่ฉันท่านฉันชาท่านบ้างนอกจากวันไหนจะเอาเรื่องความเปลีนนยนจะไม่นอนนะวันนั้นฉันไปหาท่านานี่พีน่น่าสุดีนะอ เ, เอาฉันชาละอ เ, เอาฉันชาละ ห้ากขิดเดี๋ยวขึ้น ม, มือนีจะไปสัญชาฉันสัญ ช, ช, ชาตอนบ่ายๆหรือตอนเย็นนี่สัญชาเชียงใหม่นอนไม่หลับนะหรือมันไม่ง่วงนอนชาจีนก็ไม่ง่วงชาเชียงใหม่ก็ไม่ง่วงสัญชาปะลองคนนะละกับผมวันนี้เนี่ยคนบอกแปลกๆดิบิ อันนมือไหลเสันท่ากันมื อ, อไหลเอายายแล้วความเพียร น, นีน่ตอนพวกเวลาสมาธิสม า, สมาอย่างนีเอ้าความหมายถึงปัญญากีวา น, นปัญญาโ้ยแล้วลยนั่นบางคำมันนอนม <c oughs> ันควนอนมันจะไปง่วงอ่งนี้เลยสมาธิมันมันง่วงจ้ะท้องท่าขันกำลังหินกลังน้นนอนเลย แล้วมันดัดที่ตลอดไงนักท่าดัดขันความเพียรผมไม่พูดเลยนะผมนี่แม่เขาติดคุกติดตารางผมผมไม่ได้จัดเทียบนะเขาที่คุกติดตารางดูมันจะไม่คุกเหมือนกับเราฟัด ก, กับวิลล น, นะเราฟักกดวไม่มีใ ค, ครบังคับเราแต่เราบังคับเองตัวเองด้วยจิตใจของเราด้วยความมุมวันของเรา มีกำลังมากพอพูดถ้าจะเทียบเรื่องความทุกข์เนี่ยคนในเรือนจํานี่เขาไม่ได้ทุกข์เหมือนเราเขากินข้าวเหมือนกับคนทั้งหลากินกันนะทํางานก็จะหนักหนาอะไรหนักหนาทุกข์เป็นบีบบังคับอะไรหนักหนาเรานี่นบีบจริงจิงบังคับจริงจริงมันจึงว่าไม่ลื ม, มความเพียรเนี่ยเราเป็นมิสัยอยากเลยจะทำธรรมดาทั้งหลายไม่ได้ผม นี่สัยเรามันอยากวปลู้มเพราะนั้นจึงทําให้มันทำมันเหมาะกันกับนิสยัยเมื่อวันเก้าไม่เห็นเป็นความสะดวกสบายเะไเลยเก้าออกไปที่แรกกับกิจมันก็บีบหัวเราเมืนกระทุกันหนึ่งไงเพราะยังไม่หลักไม่เกี่ไม่ได้หลักไม่เกี่ยงภาวนาหลอกปอกเปิดมิตรที่เหลือมันฟาดเอกเท่างหร่เวลาจะ เอาให้กิเลสมันต้องงบตัวลงไปใจจะได้สบายมันก็ต้องเอาหนักคอมเพนน์เนี่ยมันมีแตห่หนังๆนั้นนะ <c oughs> มองหาระยะไหนที่ว่าพอจะระยะที่สะดวกสบายผมพูดจริงๆนะสาหรับผมมันไม่มีถึงได้พูดว่าในอะไรปัญหาบางข้ อ, อยังมีที่ต่อวนนั้นที่ว่าตกนรกต้งเป็นอยู่เก้าปีวันนั่น <c oughs> มันเป็นแค่นี้นจริงๆนี่จะให้ว่าไงคือมันไม่ไม่ไมีเวลาที่จะ มองหรือได้ยินฟังอะไรเต็มหูเต็มตาสินะยิ่งเฉพาะเรื่องเรื่องรูปนี่โอ้โหปักกันใหญ่เลยเนะบางภาพกันใหญ่เลยนะเออมันดูนี่ว่างเลยจรจรมันตั้งใจจะไปดูนี่โอ้โไม่ได้เลยเน่ะนอกจากมันมองไปมันพาไปแล้วไปเจอไเห็นาะที่ให้ตั้งใจดูนี่โ้หไม่เลยนะเพราน่ะมันก็บังคับที่อย่างนั้นใช่ไหมล่ะที่ว่าดหูดูตาไม่ เต็มไม่เต็มหน่อยอะไเลยไม่ลืมหูหลืมตาเลยนันก็ถูกนั่นจึงว่าบังคับอจึงว่าดัดกันเสีมันอยากเห็นมันไม่มันมันอยากไม่ให้ทําเพราะอย่างนั้นเป็นความผิดะมันจะดูไม่ให้ดูเนี่ยมันจะฟังไม่ให้ฟังนั่นไม่ได้ผิ่บังคับมันตลอดก็ถูกเลยทีแล้วนอกจากนั้นเวลาความเพียรเอากันโดยลาพังอี มันมันลืมไม่ได้แหละในชีวิตของเราจนกล้าพูดได้เลยว่างานการอะไรที่เราเคยทํามาตังแต่เป็นคาราวาจนมาสั้งถึงวันดวนตอนหนักอะไรเราก็เคยนักแต่มันไม่ได้ไม่ไดถึงใจเหมือนอันนี้เนหะมือนหนักกับการฆ่ากิเลสอันนี้โอ้โหมันหนักเึกทุกอย่างทุ่มกันลงหมดหมดทุ่มกันลงหมดถึงขั้น ที่ควรช้าติจิตปัญญาเนี่ก็เอากันอย่างหนักไม่นอนไม่นอนกัางคืนก็ไม่หลับเลยตลอดรุ่งเลยถ้าเป็นความเพียรประเภทนี้มันเป็นอย่างนั้นะต้องได้บังคับให้มันให้นอนนะไม่นั่นไม่ได้กลางวันมันก็ไม่หลับถ้าเรา บ, บังคับให้มันหลับบังคับด้วยด้วยสมถะนะความสงบมันติดแม่ถูก เรื่องคิดปัญญาที่ทํางานแล้วงับให้หมดเข้าสู่สมาธิสงบทังนั้นมันก็พอหลับได้ทีมันก็ไม่หลับดูสิหน่ะบางบางครั้งแบบมันถ้ามันสงบมันก็ใสแจ๋วอยู่กับความสงบ <laughs> นั้นมันมันไม่ยอมลงประวังหลับนมันสงบไปมันก็สงบไปได้วค่อยจิตเป็นสมาธิทาไมมันจะไม่ใสแจ๋วล่ะือ ไสในขั้นสมาธิน่ะมันสงบมันก็ใส่แจ๋วนั้นมันอยู่นั่นเสียมันไม่ลงพอพอขยับปั้มมันก็พุ่งเลยพุ่งกับงานนะนั่นนั่นแหละวันมันจะไม่หลับมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าวันมันจะหลับกอให้เข้าในจิตสงบแล้วมันก็หลับไปได้ขั้นนี้ต้องบังคับเรื่องหลับเรื่องนอนไม่บังคับไม่ได้ แมันอยากนอนนี่โว้ยแล้วตอนนั้นเน อ, อที่ให้มันง่วงเนอะนอนนี่ผมยังไม่ลืมไม่ได้เลยว่าผมง่วงเนอะนอนในเวลาจิตสติปัญญาขั้นนี้ออกทํางา น, นยังไม่ยังลืมไม่ได้เลยนะฟังสิ <_ vi> ก็ได้บางคับให้มันหลับมันนอนมันเพิ่งขนาดนั้นนะ <_ v> ไม่ไม่งั้นเดียังคกมันมัน จะจนกระทั่งถึงฝ่าเท้านี่ออกร้อนมันจะโหเหมือนไฟลนไปเผานเนี่ยเนี่ยมันเวลาเรามาหยุด<ฮ>มีนโหมบางทีก็ต้งเลยดูเอ๊มันเท้าฝ่าเท้าแตกเลยอ่า <c oughs> ฮ่าฮ่าเราไม่เดินรวดเดินเร็วอะไรนะมันเป็นจังหวะของมันบางจังหวะข ม, มันก็มีเร็วทันเร็วแล้วโคมคามเข้าป่าเนี่ยมันไปเร็วได้ไง<ฮ>เดินอย่งั้นทั้งวันนึงสิหร จนไปชันเสร็จแล้วจนกระทั้งเวลาปัดกว่ากี่ชั่วโมงดูสินี่มันลืมไปหมดนั่นอะ่ะเวลาเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันไม่ได้คิดนี่มันหมดดุนอยู่นี่นี่เวทีมันนี่นี่หัวใจน่ะคือเวทีโอ้มันชัดมันลืมได้หมด่ะก็เป็นสัจธรรมเอาอะไรมาัเาเรื่องอะไรก็ได้ แล้ยงคมมันมากจะเข้าป่านะคือคือตามมันไม่เห็นมั น, มนไม่ได้นสนใจจิตมไม่ออกมันก็ตา ก, ก็เลยมัวเลยฟ้าเลยฟังมีแต่หนาเก้าไปจบเป็นยังไงตักมันรูปตัวมันตาวมันจิเดินเดยวเข้าป่านนเเีเข้าป่านะ ยับเนียพระเข้าป่าเยับเข้าป่าน้อยกลับ ม, มาบ้างเดินเดียวเข้าป่าเนี่ยแหละแต่มันก็เพยนุ่งมันมนไม่สนใจนะว่ากลัวใครจะมาว่าอะไระทาเป็นนุ่งมันอยู่มันเพราะมันจิตไม่ออกเนี่ยจินมันหมุนเนพเราะกิเลสอยู่นี่ต้องฟัดถึายใน ไม่กินไม่ออกอย่าอย่างตามเขา้ากเขฟางมองอ ไ, ไม่ได้เดินก็โคมง้า ง, ขา ง, ขางาเขาปากราั้นมันเดินเร็วไม่ได้ถึงขนาดนัน้หนหนึ่งออกร้อนป่าเท้าเพราะมันไม่เดินอย่างวันหนึ่งวันเดียวแต่มันเป็นประจำไม่ว่าไงเดินอยู่วันนึงเป็นประจำกลางคืนมันก็เดินทั้งวันอยู่นั้นออกจากสมาธิแล้วก็เดินอยู่นั้นออกร้อนป่าเท้า แต่พระโสนาท่านฝ่าเท้าแตกท่านเดินโยกรมทัานทำความเพียนฝ่าเท้าแตกในประวัตินี้แต่ก่อนผมไม่ได้ที่จะนาท่านเดินโยกรมฝ่าเท้าแตกนี่นี่พอพอเรื่องของเราที่มันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็วิ่งถึงกัรฝึเลยนะไม่ต้องมายายบอกก็ตามแน่เลยแน่กับความเพียนประเภทนี้วางกันเลยไม่งั้นอยู่เฉยจะจะบังคับจะก้องให้เดินโยกคมสนะฝ่าเท้าแตก ผลมัยังไม่อาํานนุถ้าเรื่องความเพียรดึงไปนั้นเออนั่นว่เท้าแตกได้มันไม่ละเมีย ไ, ไม่สนใจเรื่องเวลานี่อันนี้เปรเหมือนกับนังมวยที่ต่อยมวอเวทีใครจะว่าชามาเดียมันไปสนใจเรื่อบระคังเวลาต่อยหรืนั่นแหละถ้าตเราใครไปแยบไปหาละคังกันไม่ได้นะต่อยกันิดออันนี้มันก็เป็นแบบเดียวกัน คิดว่าท่านป่าเท้าแต่มมันยอมรับกันที่โออความเปลียนประเภทนี้วางกันเลยไม่เห็นท่านก็ตามมันมันยอมรับกันเลยต้องความเปลียนประเภทนี้เท่านั้นแต่เรามีแต่มันก็เป็นประยากันได้ที่ว่ามันเดินไม่รู้จักวันจากคืนไม่รู้จักเวลาเวลาไม่สนใจเวลาเวลาผลมันจะแงมาในตอนที่เราหยุดเดินอย่งผมโอ้ยออกร้อนหมดเลย จนบางทีจนได้ดูเนี่ยมันฝาเท้าแตกนะวะก็ไม่แตกการล้างเอาได้เองมันเป็นต้องมัเนี่ยมันมันจิตมันก็ม่มาอยู่ฝาเท้าเนี่ยมันอยู่นี่มุนอยู่นี่มีแต่ความเพลินความฟัดกันนี่นี่มันมันฉุกเฉิอหรอกพี่นาจี กลุมบอนกันมันสุกเ ม, มื่อไหร่ถึงจะเรียกขนาดไหนมันไม่สุกยิงเลยพูดว่าที่เราคาดาไว้นั้นมันผิดทั้งไผเลยคาดธรรมดาเดาธรมาาธรมดาคาดธรรมดาว่จิตนี่เวลาภาวนาไปจิตมีความสงบเยือกเย็นละเอียดเข้าไปตลอดเวลางานจะน้อยลงไปน้อยลงไปจะสบายไปเรื่อยๆมี่เความคิดเอาเฉยความคิดนไงทั้ทงที่มันไม่เป็นเราคิดเอาเฉยคาดเอาเฉย ตัวเวลามันเป็นนี่ความจริงอัไน้กลับมานี่เ น, นโลกมันเข้ากันได้เมือไหร่โอ้โหความคิดว่าจิตมีความสงบนี้ละเอยดกับบาตรฐานแล้วนานจะพอยเบาลงเบาลงสบายไปเรื่อยนี่โอ้ยโอ้โอะไรล่ะข้านจะของนะกับความจริงนี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นโอ้หัหนุนเป็นคงจักรธรรมจักรมันเอาอะไรมาสบายนอกจากจะฟาดของความกระเสียนมันพั ง, งหมดนะ ไม่มีอะไรเหลือเป็นผู้ต่อสู้กันเลยอเอาผู้ต่อสู้นั้นไม่ใช่ว่ามันสลบนะฉันล่าผู้ต่อสู้ไม่ใช่สลบมันตายเลย น, <c oughs> น, นันนั่นน้ำมันจะสบายเอาพลีหลงมันเลี่ยบลาบเลยนี้กัใครบอกมันม้นเรื่องความเพียรใครบอกว่าหยุดชั่วนาทีให้หยุดจ้าเนะี่ย ไม่ได้บอกหยุดเองไนงะที่หมุนติวจนไม่รู้รองเวลามันเป็นธรรมชาติมันเองมันอยุดเองหยุดเองนี่ลอติปัญญาที่ว่านันเพราะมันเป็นเพื่อการต่อสู้มันไม่เป็นเพื่อความเป็นบ้างตัวเองหมุนอยู่คนเดียวเฉยมันหมุนเพื่อการต่อสู้เมื่อหมดวาระการต่อสู้ไปแล้วมันก็หมดปัญหาไป น, นะจริงว่ามากกับ อายาศัตท right. ์สีเป็นสมมติยังว่าสิมันเห็นอย่งั้นสิทางปฏิบัติอายสศัพท์สีเป็นสมมติมันเป็นอันหนึ่งเจียาของสมมติอาหารที่นอกจากอายาัพสีคืออะไรนั่นกัอันนี้กับใพูดแล้ที่ผ่านจากอายาัสอัสี่เป็นเครื่องกันกรองออกจากที่พุดออกจากอายาัพทสี่นั่นอันหนึ่งนันคืออะไรนั่นไม่ใช out ่อิยาศัพ์นั่นเพราะนัหายวอยศัพ์เป็นเครื่องกันกรองการับไบอก ่จัดเป็นเครื่องยืนดันความมือจึกของพระเจ้าและสาวกทั้งหลายนี้จัดไม่ได้เลยแน่รายเดียวน่ะเป็นอย่างว่าความชา้าความเร็วต่างกันแต่ต้องผ่านวิทยาศาสตร์จนได้เนี่ยผู้ที่ปฏิบัติตัวอย่างแบบไปทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาเนี่ยเป็นผู้ที่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะมันเพราะมันแบกทุกมากผู้เนี่ทุกขาปฏิปทาเนี่ยฟังที่เวลาปฏิบัติมันก็ลําบาก แล้วก็ลู้ช้าด้วยนะนี้มัเห็นช้าถึงเรือ่องอริยสัจมันฟัดอยู่ตลอดเวลา <c oughs> มันจะไม่ชาไงท่านผู้เป็นคิปปาปิญญาท่านท่านผ่านผ่านผ่า น, านเลยเหมือนไปเรือบินก็ผ่านมาตามทางก็มาที่เขาก็มาตามนี้แล้วแต่เขามันเร็วนี่ไม่เหมือนเราเดินไปตามทางไปเรือบินไปรถไปรถยนต์ไปด้วยการเดินเดินด้วยเท้า ไปได้รถเดินไปได้เรืบินเรือหอยเรืบินมันต่างกันความรวดเร็วจะมองดูอะไรนี่มันผ่านมานังแต่มันมันไม่พอที่จะปักผิดปักจ้าได้เหมือนนั่นงผู้ที่แบกกับทุกอยู่เป็นประจำพิจารณาต่อสู้กัอยู่เป็นประจำกออว่าจะผ่านพ้นมาได้มันนานเท่าไหร่ก็เจอไปหมดแล้วจิต้างทีเรามัน ลืมไม่ได้หรอกกระานมันเอว่าเรามันมันเป็นนิสัยจริงจังมากว่าอะไรแล้วมันจริงจริงถ้าลงเหตุผลได้ลงแล้วยังไงก็มันมีอะไรมาถอนได้เลยเจาย้าของเองยังถอนไม่ได้วะถ้าเหตุผลไม่เหนือนี่จะมาถอนนี่เฉยแบบว่าเอาจริงอาจังแล้วมาทําเล่นนเฉยเนี่ยโหยไม่ได้เลยว่างั้นเหมือนแบบมือเขียนกีนลงไม่ได้ ต้องมีเหตุผลตผลต้องเหนือกว่าที่จะถอนคำตั้งใจหรือคำอธิษฐานะนะั้นเหตุผลไม่เหนือถอนไม่ได้ตายก็ตายไปเลยทีนี้ความมุ่งมั่นอนะันนี้มันก็มีกำลังนแรงมากจะ อ, อะไรมาดึงมันไว้ได้หรืมันจะหมุนติว้วติ้วเขาไปจนถึงที่สุดของมันนะความมุ่งมั่นอนะันนี้มันจะหยุดหยุดเอง พวกเราวกวทุกข์ขปฏิปทาก็ต้องยอมรับเอาสิเปลืางมือเปิดอบล้างมือเปลือบเหมือนท่านที่ล้วอียออได้ไงท่านผู้ที่ปรึกาิป ร, ปรปิญญาต้นนี่พร้อแล้วมจะเข้าไปงว้วนที่ปากคอกนัาเาเปิดประตูปั้มออกแล้วเนี่ยเราไม่ยิมันไม่ได้อยู่ก้นคอกมันอยู่ก้นนรก ล่าขึ้นมาจากนรกไม่อยากขึ้นเพราด้วยซ้ำไปยังไม่เห็นว่านรกสบายดีพวกนรกหมอนโกเสือโอใครจมไปแล้วมันไม่อยากลุกมันกล่อมได้สบายใครคนที่เด็มายาคาถามที่เด็กนีมันกล่อมได้จริง น, นี่บาอมาเเ <c oughs> นี่ยไอ้พเจ้าเวลามา อุบัติหั่งก็อุบั ต, ใบตนะาามมิในจังหวัดพอดีนะพูดจี่มียู่ิสามากพร้อมมีจานวนมากเดียวแต่นั้นก็ค่อยงนไปอย่างว่ามันผลไม้รุ่นหนัว่าปีรุ่นที่สองรุ่นที่สามเนี่เป็นางานมีพวราแล้วกับพวกอั น, นมันก็คอ่อยทําประหยั้างทาเยากบบเลยนัประจาาํะจาเรื่ง แบบทาแบบนี้นายนเป็นเครื่องยึดต้องคัแจะชาดีเร็วก็ไม่ไปไหนมันจะค่อยก้าวไปก้าไปมันถ้ามันเป็นสัดจับฝังลึกแล้วมันมันไม่ดีอย่างความเพียร น, นี่ผมไม่ลืมจริงเพราะมันมีแต่แบบผาดผลผมมันไม่ใช่ธรรมดาที่สายหลักเป็น่ส้ ไม่ผลไม่ได้ที่เหล็กพาให้ผลนะสิค่อยทําธรรมดาธรรมดาแล้วมันไม่ได้เรื่องยิงเหรอผมอถึงเวลาเดินกองก็ไปเดินธรรมดาธรรมดานั่งธรรมดามันไม่ได้เรื่องนั่นทีมันทําให้พริกแปลงเปลี่ยนแปลงหาเหตุหาผลฟาดกันทั้งหนักทั้งเบาเอากันแล้นี่นี่มันเห็นผลเลยเมื่อมันเห็นผลนี้แล้วมันจะปล่อยได้ยังไงนันก็ต้องจับนั่นดังที่ที่พูดถึงทีนี้เดี๋ยวอดอาหารให้ที่จะอด ทกข์เกิด จ, จะเป็นจะตายลมหายใจมันออกหูหมดมันไม่ได้ออกสมุนฉันไม่มีลมหายใจมันเพียรมากขนาดนั้นมันก็ยังได้ทนนะหาเรื่องแต่ว่าอันหนึ่งที่มันพับมันเป็นเครื่องดึงดูดก็คือวงใจท่าขามันอ่อนเพลียทุกข์จิงแต่ว่า เรื่องอันหนึ่งที่มันเหนือนี่มันมันดื่มมันสว่างกระจ่างพูดไม่ถูกพูดให้มันเต็มป่ากก็ต้ออัศจรรย์เน่อยเพียงขั้นดําเนินแล้วมันอัศจรรย์มันเป็นลําดับลาดับอัศจรรย์เป็นลำดับลำดับ อัศจรรย์ท่าคือไปอัศจรรย์นวิชานสิฟังสิอัศจรรย์วิชานนี่จริงด้ว่าเจ้ามกษัตริย์วัตจังถึงขนาดนั้นเลยนะไม่รู้เลยว่าอันนั้นถึงยิ่งในะทั้งๆที่สติปัญญาเป็นธรรมจักรเลยังไปยังไปตายใจกับนั้นได้ มันไปรักไปสมวนไปติดนั artwork, ่นได้ดูที่หนาอาชจันทร์มันทั้งคืนก็เฝ้ากันอยู่รักษากันอะไรมาแตะไม่ได้นะมันสมวนน่ะรักษาเหอ่มันแต่ว่ามันสำคัญต่อันก็สติอนนี้ถึงจะไปไปไปติดก็ตามสต่เพาะไม่เคยเห็นก็ต้องติดบ้างล่ะ ถึงจะติดถึงจงหวนรักษาไม่ว่าเป็นออของอาจารย์ขนาดไหนก็ตามแต่คำฟังก้ว่าคำว่าปัญญาสิ่งที่มันไม่นอนใจมันไม่นอนทั้งรักษาทั้งสังเกตตลอดเวลามันเคลื่อนไหวยังไงไงดูตลอดนอกก็ไม่ว่านะว่าเราจะคอยดูความเคลื่อนไหวของนี้มันก็ไม่ใช่นะมันพูดยากๆนะเพราะธรรมชาตินี้มันละเอียดจินตนั้นมันละเอียด ธรรมชาติที่รักที่ที่ที่วัดติดอันนี้ยติด น, นี่มันก็ละเอียดพอกันแล้วความเคลื่อนไหวนั่นแสดงใน น, นี้มันจะทราบมันจะทราบนี่ต่างเมื่อมันทราบหลายครัง้งเราเหินก็ไปมันก็กระเทือนจิตแล้วสิน่ะมันสังเกตอยู่ตลอดมันสังเกตโดยหลักธรรมชาติเองไม่ใช่เราตั้งท่าสังเกตนะมันนักเป็นของจิตขั้นนั่นดวงนั้นหรือจะติดปัญญาขั้นนั้นมีคือ คำว่าผ่องใสเนี่ยทื่ว่าผ่องใสคู่ของมันก็คือความสศร้าหมองนะมันผ่องใสแบบละเอียดความสศรหมองแบบละเอียดนั่นก็เป็นคู่กันนะให้เห็นจนได้นั่ น, นมีอะไรมาสมมติว่าความอะไรมาก ร, กระทบอะไรมันจะแสดงให้เห็นนิดนินิ ด, นดถ้าว่าเราอย่างพูดอย่างทุกวันนี้ก็จะว่ากิริยาสมมุติะมันแสดงให้เห็นนิดนิดนิดจนได้แสดงให้เห็น ข้างนั้นครั้งนี้ก็มันปสมมวลของมันอยูตลอดนี่ว่ามันได้ที่แล้วก็มันก็ไม่ไว้ใจนะจอดตลอดเวลาไม่ใช่เราตั้งท่าตั้งทางอันนี้มันพูดไม่ถูกแหละมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นหลักทำอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติที่ว่ารักษาก็เป็นหลักธรรมชาติอัตโนมัติไม่ตัวเองเสียอัสตติปัญญาเขามันก็เป็นอัตโนมัตินี่เวลามองดูความเคลื่อนไหวมันเป็นยังไงยังไง มันก็ดูอยู่หลักธรรมชาติของมันเชียหมเพราะมันไม่ใช่อยำหยาบนะอย่างละเอียดมากทั้งถึงว่ามันเวลามันจะม่วนชาดกลงมารวมสะดงกกันมันก็ลงมาถึงขั้นที่ว่าอะไรที่ว่าความส่องามองความผ่องใส ก็ว่าจิตเนี่ยทำไมจิตลเอียดจึงเป็นได้หลายอย่างนะนี่แล้วสุขแล้วว่าทุกเนี่ยเพราะมันมีตามส่วนละเอียดของมันอยู่ในนั้นว่ามันสุขมันก็มีทุกละเอียดองมืนเวลามันสัมผัสอะไรเปล่าเนี่ความละเอียดแห่งทุกเนมันจะแสดงคือสมมุติปุณายง่ายนะมันไม่ได้มากละมันนเป็นปียาวสมมุติให้เห็นอยู่มันมัไม่รุนรวน ความสมองกัเหมือนกันเราจะเอาความสมองของจิตทั่วไปมาพูดกับจิตคั้นนี้มันพูดไม่ได้มสมองแบบคันนี้ละคุณค่ะแต่สติปัญญามันพอๆกันมันก็รู้กันละสินี่นั้นจึงได้เอามาประมวลนีตั้งเป็นข้อลำพึงทำไมเดี๋ยวว่าสมองเดี๋ยวว่ากล่องใสก็บาจิตดรงนี้เดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุก ก็ว่าจิตดรงนี้ทําไมจิตดวงเดียวนี่จึงต้องเป็นได้หลายอย่างถ้าเป็นของแท้จริงแล้วก็ทําไมจะต้องเป็นหลายอย่างนั้นนี่ที่มันลําพึงแล้วมันก็ตั้งข้อสังเกตที่นี่มันเป็นลักษณะที่ว่ามันอย่างละเอียดมันเป็นลักษณะไม่ไว้ใจจ้องเข้าไปแหละแต่ก่อนไม่ไปรักษาที่นี่มันจ้องเข้าไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนกับเราพิจารณาทั้งสิ่งทั้งหลายอยากจะรู้สิ่งทั้งหลายทั้งหลาย ฉานใดอยากจะรู้อันนี้มันกับฉันนั้นเลยแต่มันเป็นส่วนละเอียดของจิตอันนี้นั่นก็ตั้งข้อสังเกตกันโดยโดยหลักธรรมชาติที่วละเอียดละเอียดลเลยนะนี่ที่ว่าปัญญาที่จะว่าอาอที่ิตใจตัวไหนเก่งมามาหัวขาแล้วกันมาตัวนี้ ไ, ม, ไม่เห็นเป็นหวัวขาเห็นไหมละ่ะนี่ดูสิเหล่นนนานี้มันประมวลของมันมานะ่ะนี่ มันเหนือถึงจะมันจะขาดก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ขาดในในขณะขณะที่เจอกันเจอกันเหมือนสิเหมือนทั้งหลายที่ที่นอกจากอันนี้แต่เวลาอันนี้มันไม่หัวขาดเพราะเพราะมันไม่ได้จ่อไม่ได้ตั้งท่าต่อสู้ตั้งท่าฟาดฟันเหมือนทั้งหลายนั้นเพราะมันเข้าใจว่านี่เป็นเราเปของเราอยู่มันติดไม่รู้มันไม่ทันมันถึงมันถึงไม่ พุ่งกันไปนี่ถ้ามันพุ่งกันไปนี่มันก็เร็วก็อย่างที่ว่าแล้วมันมันนานเมื่อไหร่พอมันตรงวลเข้ามานี่มันก็ขนาดนั้นเลยอ่ะเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ข้ามมันข้ามคืนอะไรเลยจะแบกมันมานี่มันแบกมาเท่าไหร่ละแบกมาด้วยความติดความพันความอ้อยอิยงกับมันมันเท่าไหร่เพราะไม่ไม่ตั้งใจฝันมันลงไปด้วยความ ด้วยเจตนาพอประมวลมามันเป็นอ่านั้นแล้วมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนด้ ว, ว่ามันทําไมสิ่งของอย่างเดียวทาไมเป็นได้หลายอย่างนะับนี่ดีกว่าเดียวสร้าหมองเดียวฟองใส ก, ก็เป็นจากอันนี้คือสหมองกับฟองใสมันเป็นอย่างละอีกพอให้จับได้จับได้อยู่นั่นน่ะสุกขกับทุกข์เหมือนกันเป็นของคู่กันเดียวว่าสุดเดียวว่า ก็คืองจีดมวงเดยวนี่ทําไมถ้าหากเป็นของจริงล้วนๆได้ทําไมจึงต้องมาแปลเป็นได้หลายอย่างหลายขนันแหงอย่างนี้ <c oughs> เป็นของจริงจริง้วก็ไม่ควรจะมาสร้างปัญหนานี้ให้เป็นข้อคิดอะไรมันทำนองนั่นแหละมันลําพึง ถ, ถ้าเวลาลําพึงมันก็ะเจาะ อ, อยู่นั่นจังเลยเจาะมันก็เหมือนกับพี่นา นี่ที่ฉนเดี๋ยวมันก็นขึ้นมานี่การทำนี่แหละผมผมบางผมเวลาสอนทำที่ผุดขึ้นมาสอนนี่ก็ไม่แหสอนแม่นยำมากเกินนะอย่างที่ว่าที่ว่ามีจุดมีตังคูรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพมแล้วไม่สอนโกงแตงน่นเราจับไม่ได้เฉยเวลาเราผ่านไม่ได้ถึงมายอมรับโอ้อคำว่าจุดก็าตังค์จุดนี้เองจะไปจุดจุดไหนแม่ก็จุดที่ว่าเนี่ยคือมองสายอย่ยเพราะเรา พอราอัศจารยอันนี้โอ้โหขีี่ทำามริงอัศจรรย์นักหนานั่นเพราะว่างั้นั้ก็ขึ้นถ้ามีจุดมีตอแหน่งูุรอยที่ไหนจุดนั่นแหละคือวิชานั่นแหละคือตัวพกว่างขมันมันก็ตื่มตัวตื่นตัวไม่ตื่นก็ไปหาตรงนั่นสิมันเลยงงไปเลยมันจำไม่ได้ ถ, ถึงจะได้ก็รับ พาอแม่เขาเลาพ่อแม่ครูอจารย์ตังท่านหนึงมีชีวิตยอยู่แล้วโอ้เสร็จในเวลานั้นเลยแล้วนะเพราะมันเป็นจุดที่จะผางกันนั่นเราไม่เอาเร่งไม่ข้ามที่มัมนมาตอนแม็กซ์ลูบกันนี่มันถึงมาได้เรื่องนี่ก็พูดขึ้นมาเหมือนกันนะคิดว่าอะารคำว่าสุขก็ดีคําว่าทุกข์ก็ดี ทำวลาผ่งใสคำว่าเศร้าหมองพอดีคำว่าผ่องใสกอดีทำเหล่านี้เป็นหนาตา น, ะน่ะนะทำเลยทําหล่านี้เป็นหนาตานะนีะนะน่ยขึ้นขึ้นนยางประค่าไม่ท่าแม่ผลหรือมันแล้วมันมันเข้าวงนี้แล้วเนี่ยมันเข้าพิจารณากันแล้วแล้วทำก็สอนขึ้นนี่ในภายใ น, ในออกมาอย่างนั้นน่ะเหมือนกันกับมานั่นแหละทํานี่เป็นหตานะเพราะว่างนะมันก็ผึ่งเลยนั่น ไม่ได้ข้ามวันข้ามคืนเป็นเวลาประมวลนั่นเองนานเมื่อไหร่มันไม่ได้นานถ้าเข้ามาเจอนี้มันไม่ได้นานนี่ถ้าว่าจาะตั้งแต่ก่อนๆนั้นมันก็เสร็จประณานแล้วตั้งแต่นูน้นตตนแต่ที่ว่ามีอยู่นีดสงนั่ ง, งปลุกนูน่นมันจะไปตั้งแต่นู้นนะอนี่มันยังไม่รู้วิธีมันจับไม่ได้นี่ราคาวนี่มันจับได้ปุ๊บทันทีเลยขนาดนั้นเลยว่า ท า, ทางนี้เป็นอนัตตานาว่าบอกเป็นเงื่อนเป็นเงื่อนสอนขึ้นมาไหนนี้เป็นเองนะยับยับคาว่าสุขก็ดีคาว่าทุกข์ก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าผองใสก็ดีทำหน้านี้เป็นอนัตตาลักษณะมันจึงเป็นเหมือ น, นก็ว่าสองเงื่อนอนตากับมรรตตาหรือเอะไรนี้ เป็นลักษณะสองกันินนี้เป็นทอานี้เป็นสมมตินะเป็นอย่างนั้นหน้าตาเพาะั้นมันม้วนไปเลยเป็นลักษณะนั้นนะเหมือนแ เ, เป็นมะพรา้าวไปสองหนอ่อมันความไปเลยลักษณะเพิบไปหายเีบไปเลยทีนี้ไอไอผอองใสนั่นมันก็ไปคว่มกันเลยนะผงสที่อ า, าจรรย์เป็นตีอันตมากเท่าไหร่นานเท่าไหร่นะันไปคว่มกันเลย กับขนาดที่มันแสดงขึ้นตึงขนาดคือว่าขนาดความมันเองมันขนาดถึงไปอันนั้นไปเลย <c oughs> หายเงียบนั่งยที่นี่แล้วรู้ว่าอันนั้นแอร์เป็นพูกปิดนี่นี่ไว้กองที่ควายกองนั้นกองผมใสแล้วมันครอบไว้มันคว้างไปแล้วไม่มีอะไรอมันเปิดเป็นทีแล้วนั่นที่นี่ ว่างเลยยังไม่รู้โอ้โหวิชาถึงขนาดนี้เฉลีอ่อขนาดเฉลี่นี่ยอมกษัตริย์วัตจักรขนาดนี้ขน่นเนี่ยกษัตริย์แท้ดังนั้นเป็นกิ่งก้านสา ข, ขาของของกษัตริย์อันนี้เรายังหลงมาเป็นบําดั บ, บันดาลแล้วนนบรนดาลแก้เข้ามาแล้วจนกระทั่งถึงที่ว่าจะเอาให้มันอยู่ในเงืองมมือยังไปติดมันเหยียบเอาจนได้นั่นเห็นไหม นขนาดไหนล่ะสติปัญญาก็ว่าเทียงไกลสุดมากถึงนี้่นะทำไมถึงไปหมอบลาบมันละ่ะนั่นเป็ยังไงจิตวิชาจอมกษัตริย์วัตจักรคือวิชาที่อย่ขนาดไหนมันติดได้มหาติมหาปัญญาติดได้ถึงจะผ่านไปไดาา้เพราะมหาติมาปัญญาครับตอนมันติดก็ต้องบอกว่าติดสิมันเป็นเียว่ามันเป็นกนลมัด เอาันได้จริงๆทิงติมันก็ออกออกกันได้เพราะพร้อมเสมอในการพิจาาไม่ตออไม่นอนใจนาติก็อยอมเล่าว่าติดแต่ไม่ให้ไม่ติดแบบตายแบบจงอยู่ตลอดแบบนอนใจไปเลยนันไม่มันมีแง่ของมันจะสังเกตสังการอยู่โดยหลักธรรมชาติตัวเองเวลาที่ว่าองใสนี่ใครคานเมื่อไหร่ว่ามันจะเปลีแปลสภาพตัว่องไม่ได้นะ คือว่ามันว่ามันจะแปลสภาพมันตื่นได้ว่างั้นถูกนะเพรนึกว่ามันจะเป็นอันนะอนี้นน อ, อยู่เป็นกลับเป็นการเป็นของเที่ยงขาววอ น, นี้สในเวลานั้นน่นนะแต่แล้วมันก็มาแปลเห็นอย่างชัดเจนประจกักษ์เหมือนฟ้าดินถล่มจะว่างไงปีนาจีนี่แหละถ้าเป็นสมมุติแหละแปลได้อย่างนั้นเน่ยอวิชชานี่ก็นี่แหละตัวยอดของสมมุติตวเวลานี้มัน แต่ลงไปเลยมันคว่ำลงไปแล้วไม่เห็นมีอะไรมาแสดงอีกนี่น่นมีอะไรที่มาแสดงให้เอ๊ะเนี่ยให้ใจอย่างนี้มีอะไรไม่เห็นมีเลยพอธรรมชาติแล้วนี่มันออกเทานันไม่เห็นมีอะไรไม่ว่าอันนี้พูดว่าจิตของสายเพือวิชานี่มันอย่งนี้เห็นไหมงั้นเลพูดด้วเต็มปากเคาจะว่าไม่ว่าจะใครจะว่าบ้ามากเลยเพรามันเห็ น, น, น มันแต่ันให้เห็นมินี่เวลาไม่เห็นก็บอไม่เห็นไม่รับไม่รู้บอกรู้เวลาไม่รู้ทำไมจะพูดไม่ได้วะทำมาสอนเพืรู้แต่แค่ใครจะปิดโพดพุยเจ้าไม่สอนโลกล่ะอืมพระสาวกอรหันท่านสอนโลกมามากกว่านั้นแหละท่านพูดทั้งนั้นใช่ไหม่ะอันนี้เราพูดตามหลักความจริงอยู่ม่ผิดไปไหนวะว่างนะเขาไม่มีใารจะมาว่าเราพูดไปเฉยมันเป็นก็ต้องบอกว่ามันเป็นเลยจนกั่พระ เราหันนกพิษท่านยังพูดเรื่องได้ป่านกพีที่หกทุ่มว่าวิ่งมาเป็นอะไรว่าเกิดอันตรายอะไรมาปุ๊บเขาบอกว่าไปได้ไหละผมสำเร็จแล้วเฉลี่ยมันสเร็แล้วทไมต้องป่านกพิษเรอกว่าป่างูพื่อุฟังงูพันธุ์ราบพี่เพมาด้วันคุยตายไปด้วยกันสามองค์นะแล้วไปคุยกันสององค์กระซิบกันเป็นยังไงเผา สัมฤทธิ์เราต้องโนบน ม, มันโนบิบ้าไงเนสําเร็จ์เราต้องต่อโนบิที่อ้างมาว่าก็หมูควันมาด้วยเนาะก็ต้องบอกหมูควันทราบนี่มันมันไม่ลงใจน่าเดี๋ยวสัมฤทธิ์บ้าไปแล้วนาะปุ่ยกันนะพอดีคืนที่สองมาเที่ยงคืนเนี่ยนกหวิขึ้นอยู่แล้วโนบิกล้ อ, องยา น, น้ากระเป๋านะว้าบ้าอะไรอีกหนะ้านี่มันคั้น น, นกรกไอเวทีที๋จ๋หน้าดิกนระมา แต่ว่ามาอย่างนั้นน่ะอือดะว่าไงคันนี้มันคันบ้าบ้าขันไหนเราไม่ร้ไงวะไม่ได้ว่าอาลาหันอยู่วะไม่รำอาลามันถึงคันขันไหนแล้วคันบ้าบ้าอะคันไหนแล้หนึ่งบ้างั้พเนี่ยต่บ้าขั้นไหนอะไรก็ด้กวีอย่างหนึ่งนะเกิดอะรขนมาแต่บ้าขันไหนมันไม่สําเร็จที่นี่ไม่สำเร็จก็เปล่าแล้วกลางคืนนี้ว่าตอนไหนก็เปล่านี่นี่มันไม่สำเรว่าต้องตอบบอกหมู่บ้านนีมันสองชั้นสามชั้น นี่มันจะเป็นยันไงมันเป็นอย่างที่แต่มันไม่เห็นเป็นเมื่อตีจนก็ต้องปั่นนี่เนือได้เป่านวดหรือเปว่าความเปลี่ยนแปลงของจิตมันก็หมดเวลาสุดท้ายก็คือนั่นเองความแบนทั้งหมดมันเป็นสมมุติทั้งนั้นที่ที่มันเกาะจิตอยู่นั้นเวลาออกออกออกมันเปลี่ยนแปลงเวลาเช่นนี้เปลี่ยนเั้ยงแต่ความความมืดตื่นไปหาความสงบผ่องใสก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆนั่น มีแต่อาการของสมุดทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นจะเป็นอะไรไปเรื่องเห่านี้เป็นของเป็นเรื่องสมุติเพราะยีเดียดเป็นสมุติสิ่งที่แก่ก็เป็นสมุติทั้งสองอย่างเป็นสมุดไปด้วยกันนะไปจนกระทั่งถึงสุดวาระของสมุติแล้วมันก็ยุติการบ้าทั้ทงนั้นยุติกันหมดเลยสติปัญญาที่ ท, ที่ที่เป็นเครื่องแก้นี้มันก็ยุติกันในเวลาอันนี้ยุติลงะ มันเห็นทำงานอะไวอยู่ทำงานแบบนั้นอ่ะแบบที่เคยทำนี่นี่สติก็สติปัญญาธรรมดาที่นํโมช้าธรรมดาก็ก็รู้อยู่ว่าเป็นสมมติอยู่แล้วนี่นี่ยสติปัญญาอันนั้นเนี่มันก็เป็นสมมุติประเภทนั้นน่นนั่นน่ะสติปัญญานั้นเป็นสติปัญญาขององค์มรรคแหละมรรคแท้ละนั่นมหาสติมาปัญญาก็คือมรรคเองใช่ไหมมรรคมีกําลังนี่ ดีพอเครื่องรับกันมันหมดปัญหาไปอย่างที่เหลือมันหมดมันชิ้นสร้างไปอันนี้มันก็หมดปัญหาไปเองไม่ต้องบอกไม่ต้องบังคับไม่ได้ทํางานอย่างนั้นอีกโดยไ ม, ไม่ไม่ต้องคิดต้องคาดว่าวจะทำอะไรตอนอะไรแต่อีกไม่ได้มีเป็นหลธรรมชาติเพราะนั่นหมดปัญหานี้ก็หมดปัญหาก็ไปแบบเรียว่าสมมติอญญายัดเป็นสมมติ มันไม่ใช่สมุิแต่จิตที่บริสุทธิ์จากอริรรยสั์นเจ้ะอริัตร์การกรองออกมามันจึงเป็นวิมุตติมาถึงอรันดาวนันก็ไม่มีที่ว่าสุขว่าทุกข์ก็ดีเ่รามองก็ดีผ่องใสก็ดีมันไม่มีท่านจึงบอกว่านี่ทำเหล่านี้เป็นเป็นอนัตตานะวืน จะยืนมั่นถือมั่นได้ไหมอนุต่านั่นความหมายว่างั้นมันเข้าใจแล้วมันก็เพิบเดียวมีอ เ, เ, เ, เวลาหลังก็นั่นดูนี้ที่มันเป็นเรื่องที่สะดุดสังเวชมากเห็นโทษมากเสือโดดนี้แล้วปุ๊งยัง่งที่ไม่เห็นโทษของเสือที่หลังว่าโธ่นี่มันเสือในทางข่าวอืมก่อน ไม่ได้ว่าเป็นเสือมันอะไรตัวอะไรตัวละลายหน่อยมันน่าชมน่าหนานแต่มันไม่ใช่ปั้งมันเสือเวลามันตายันไปแล้วมันถึงมากลัวที่หลังไม่เห็นโทษที่หลังอโถอ้โ ถ, ถผมมันไม่มีอันนี้ขึ้นรับกันแล้วนพอปิดอันนี้พออันนั้นเปิดองคาบอันนี้มันเกนิดอนนี้เล ย, เ น, ยนั่นมันตัางขนาดไหนที่นันก็เทียบกวันได้ว่าธรรมชาตินี่คือกองขี้ควายเท่านั้น ทับของทองตั้งแท่งอยู่คุณ น, น่าจะวางั่นเอกองขี้ควตั้งกองนี่มันทับทองตั้งแทงไว้มันมนั้นก็เทียบได้เท่านั้นออกบุทานออกอะไรไม่ออกได้ไยังไงพระอัญญากรรณญาขันสเร็จขั้นโสดาเนี่นีน่ผีสู้ได้ธรรมสับปันตังไดโธรรมะกน อุทานท่านออกมาจากที่ท่านประจักษ์ของท่านแย่นั้นพระยาท่านก็แปลไว้อย่างนั้นเป็นหลังการว่ายินได้ชิมเองที่เกิดขึ้นรรรรรรเป็นธรรมดาสีนั้นย่ำดับเป็นธรรมดาทั้ว่างแต่สาําหรับผู้เป็นประจักษ์ในตัวเองไปเจอในตัวเองอุทานมันจะไม่เป็นอย่างนั้นใครจะมาบ้างก็ตามจะมาพูดเฉยๆลอยๆได้ไงก็มันเป็นเจออย่างจริงๆทำไมจะมารักคําอุทานไปด้วยจะมาพูดลอยๆได้เลย ผมไม่แต่ว่าอะไรก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นหนึ่งนถึงใจอะไรก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นยิดอะไรความหมายว่างเ่นั่นก็เเป็นอุทานท่านนั่นอุทานานั้นถึงที่ไลองพระมหากระบินทุคขั้งวตาสุขขั้งวตานั่นอุทานของท่านที่ออกจาก์นั้นอยู่ไหนสุกสุขหนอสุขหนอมันหมดก็ทุกอย่าะ อันนี้มันอุอทาห์มันก็แต่แต่เวลามันเป็นนั่นมายผมไม่อยากพูดอุทานมันก็เหมือนกับว่าอากเสื่อมเปื่อนเกินไปเราไม่อยากพูดมันเหมือนกับว่าอากเสื่อมไปหลักธรรมชาติมันพาให้เป็นจะว่างไงก็เราก็พูดตามหลักธรรมชาติถึงเป็นความ ส, ดสุดทองด้วยความถ้าจะพูดภาษาโลกแล้ว มันก็เดืเหมือนกับความตื่นเต้นความสนุกตกใจนั่นแหละอุทานมันขึ้นตรงนั้นโอโ้โหโอ้โหนั่นโอโ้โหอหาจีนหาธรรมธรรมที่ ไ, ห, ห, ไหนธรรมที่ ไ, ห, ไ, ห, ห, ไหนนั่นเราเจแล้วหาทีนหาอะไรหาธรรมหาอย่านั่นไปนู่นแบบกดพาบาดขึ้นเขาตรงนั้นเขานี่เขาทํานั่นทํานี้่ทำทำี่ไหนทำอะไรคือหม า, มานยถวาย่นเข้ามานั่นนี่ะม า, าอันนั้นไม่ใช่ผิดนะนั่น เราขึ้นอยู่นู้นเรากไปหาทำทำที่ไหนคือว่ามันเตอแล้วมันถึงได้ยดิ่งออกไปอย่างนั้นทำที่ไหนก็คือว่านี่ทำความหมายก็ว่างั้นทำทีนไหนที่นี่ทำที่ไหนนี่ว่างั้นเลยทีน่นี่จากนั้นมาก็มาลํมพึง น, นี่โฉโถระทำไงนี่ทำไ ง, ำไงใครจะมารู้ได้อย่างนี้นโอ้โห อ, โโอโะไร ใครจะไปรู้ได้ไปสอนใครไปพูดในการตังเขาก็จะว บ, บ้าไปใครจะสามารถใครจะรูได้เมื่อถึงขนาดนี้ว่าละเอียดเลยละเอียดไปแล้วเลยไปใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในแดนสมมุติเยพูดอย่างนั้นมันเต็มแมต่ไหนในแดนสมมุติแม้แไหนเหมือนอะไรแล้วจะบอกใครไปสอนใครใครจะไปรู้ได้ <S <S นี่มันก็วิ่งถึงบูริจ่ากี่ว่า ท่านทรงทำขความขวายน้อยละ่ะแต่เ้วไม่ใช่เราจะเป็นคู่แข่งท่านนาเราพูดเพามันมันยิ่งถึงกันนะฮะโยความเคารพท่านนะมันเป็นขึ้นมานี้เยอะทำความขวายน้อยมันเป็นแบบเดียวกันจะพูดอะไรให้ใค ร, ใครไปรู้เรื่องถึงเมื่อถึงขนาดนี้ลนะ่ะคือมันเลยยิสัยส่ขวัญที่จะไ่รู้ได้ยางันเป็นอย่างนี้ถ้าจะไปสอนขวัขาจะหาว่าบ้าไปหมด อ, อยู่ไปกินไปพอชัอ น, นิีได้เป็นตประหนึ่งท่ทานพอแล้วแต่ค้นขวยอะไรสอนโลกสอนสุกสารใครไปรู้ได้ถึงกระดาษนี้แล้วนะีน่แหละเนี่ยที่ทำให้ทำค้นทำค้นคว้าน้อยมากอยากพูดักสอนใครเลยก็จต่นี่แะเพราะยกเอานี่มาเป็นปัจจุบันไม่ได้ตีกระจายไปถึงอดีตถึงอะไร ถึงสายทางเราพูดแต่ผลมันก็ท้ออะไรพี่ผมไม่เห็นอะไ น, นี้ใครจะรู้ได้รู้ได้เมื่อมันเป็นของมันอย่างนั้นไม่นาน ม, มันก็ย้อนแต่พถ้าว่าเป็นสิ่งที่สุวิสัยว่าใครใครจะรู้ไม่ได้แล้นี่รู้ได้ไงน่ะเป็นเทพบทุตรเทวดามาจากไหนพังพุธดิแต่ดทิ้งที่ของพุทธเร้าพุทธเจ้ามันเป็นเทวดาจริงท่านก็มีคนเหมือนกัน อันนี้เราไม่ได้พูปดงงแต่ขนาดนั้นไม่ไปแล้วมันไปแล้วมันเ อ, อจาจะบอลเป็นเทวูเทวดามาจากมาจากไหนทําำไมจึงรู้ได้เป็นมนุษย์เหมือนกันกับโลกทั่วไปแล้วทําไมโถึงว่าใครจะรู้ไม่ได้รูปพ่อเหตุใดนี้มันจะวิ่งนั่นพอรูปอะไรก็เพราะปฏิบปทานนสี่เครื่องดําเนินมาแําเมินมาอย่างไงมันถึงรู้ได้อย่างนี้นี่มันมีทางเข้ามานี่ไม่ใช่จะอยู่อยู่กัมีอันนี้เอามันมีสายทางเข้ามาถ้าเป็นบ้านก็มีบันได ถ้าเป็นสถานที่มันก็มีทางก้าเข้าไปเนี่ยแล้วรู้มาได้ยังไงมาดูได้เพราะเห็นอะไมันจะหนีจากปฏิปทาได้ไหรือไม่จริงก็มันยอมรับทันทีนั่นเห็งทำไมนั้นเมื่อสอนตามปฏิปทาแล้วพูดตามปฏิปทาสอนปฏิปธานนี้ทําไมจะรู้ไม่ได้ล่ะออปฏิปทานี่เป็นเครื่องนาเนินเพื่อเข้าสู่จุดนิรแทะนั่แนแต่นั้นมันก็วิ่งถึงเรืุ่ฒิเจ้าที่จะลงคํความขวัญหน่อยากสอนโลก พออันดับต่อไปแต่ผมคิดว่าจะอย่างนี้แล้วถ้าพระ อ, องค์มียา น, นี้นะตั้งแต่ยาเล่นยาน เ, ยเป็นเครื่องสนับสนของพระ อ, องค์ด้วยเรามียานเลยน้วก็ตักกับองค์จะเป็นอย่างนี้ทำามถึงรู้ได้ถ้าเราเป็นสิ่งที่สุวิสัยของโลกเราเป็นอะไรโลกเป็นไรที่ เรู <mauv> <t ouch es> <moi> ้ได้เลยรู้ได้เพราะเห็นไนั่นเนี่ยเมื่อนํามันนี้สอนโลกอำไมาจะเรื่ได้ละแต่นั่นก็มีแก่พระไทยที่จะสั่งสอนโลกอันดับที่สองก็เป็นท้ามหาปุมะรัตนานั่นอันดับแรกต้องขึ้นจากพระเมตตาเสีก่อนเห็นเหตุนี้ผลตามนี้ที่จะแนะนำสั่งสอนได้แล้วพร้อมกับพยานที่อย่างทราบสัตว์ทั้งหลายนี่มันบวกกันหลายย่านด้านสำหรับพุทธเจ้านะก็รู้ได้นี่มีแก่พระไทยที่จะสอน นานกับพื้นปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เป็นของสูตรเอื้อมเป็นของสูตรวิสัยทางมีอยู่เนี่ยก้าวเข้ามาสิก้าวเข้ามาสิเพราะฉะนั้นทางนคืออะไรคือหลักธรรมแบบวินัยเนี่ยเป็นเป็นหลักใหญ่แล้วก็แยกออกมาก็คือว่าปฏิบัติธข้อปฏิบัติธรรมแหละนานย่นเข้ามาย่นเข้ามามันก็ไม่หนีมรรคอายศาตร์สี่ละที้เข้ามาตรงนี้มาทำวินัยนั้นกว้างย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนถึงจุดนี้ที่จะเข้า กูจขาได้ก็เห็นกนะ็เข้าตรงนี้มันเคยรู้มึงขอให้ลู้ก็ไปเถอะวางนั่นเลยเพราะธรรมชาตินั้นมีอันเดียวไม่มีเราจะมาแทรกมาแซงพอให้สงสัยนี่นะอันเดียวเนะ่อันเดียวก็คือว่าไม่มีสองกับอะไรพอที่จะคัดจะเลือกแต่ให้สงสัยจริงๆอาจจะอันนี้หรืออันนี้นะจะเอาอันนี้หรือจะเอาอันนี้หนะ อีมจะเกิดหรือไม่เกิดนะจะตายหรือไม่ตายนะแเราสิ้นลแล้วเรื่อยังมีที่เดสอยู่นะนี่ยมันคข้าเป็นสอนก็ต้องอย่างนั้นสิมันก็ทําให้สงสัยที่สองนี่อันเดียวต่นนั้นใช่ว่าไงอืมนั่ น, นี่คู่แข่งวัดที่ช่วยก็คงรู้อยู่เห็นอยูัจะทำเ น, นี่ยเข้าใจนะเอาอะไรมาเป็นคู่แข่งเอาอะไรมาให้สงสัยให้เลือกว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่นะั่นออันเดียวเอโกธรรมโมแนะ ทำอันเดียวที่กระทำเป็นเดียวกันแล้วพอนั่นทันทีที่โกรประกาศปั้งโดยหลักธรรมชาติระวังไอ้ทันทีโกอยู่กับปันนั่นพอดีพอดอีทุกอย่างกับปันนั่นเลยทันที่โกเห็นเองนรู้เองนั่นว ะ, ะเก็จะตัเวลายี่จะอวิาณอันหนึ่ง ท่านนั่นอันอันท่านมีมิชนทั้งหลายจะรู้จเฉพาะตนนะผู้ที่จะรู้กับใครกับผู้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้ผู้ที่ปฏิบัติจะเอาอะไรมารู้คำว่ามีมิชนกับผู้ที่ปฏิบัตินั่นแนหะผู้จะรู้นิยอันมิชนทั้งหลายจะรู้จเพาะตนปจัจตังในบทธรรมคุณตั้นก็พูดเลยไม่มีอายสงสัยเลยนะ กับคาโตกตาธัมโมเนยถ้าทาผู้ก็จัตตดไ่ชอบแล้วทันที่ิโกเนี่ยผู้ปฏิบัติทีเป็นองนี้เองอาการที่โกเพราะว่ามีการมีสถานที่เลยล่ำเวลาเนี่ยที่ปฏิโก้จมีอันนี้สำหรับภาาปฏิบัติเราถ้าว่าไม่ได้ไม่ได้เรียนมาคนอื่นก็จะดูถูก่นะว่าผมแปลประป่าเถื่อน แต่การไม่รีบแบบเรามันเป็นอย่างนั้นเราก็เอานํามาพูดทั้งสองอย่างอสิคือปริยัตท่านท่างกระแพตามศัพท์มีจริงชาติไม่ต้องแปลอย่างนั้นไม่แป็่างนั้นไม่ได้นี่มันมีเครื่องบังคับอยู่ทั้งอิพัตธปัจจัยทั้งข้าพิว่างายเนี่ยเรียนมามนก็ต้องรู้ด้วยกันพวกที่เรียนมาหนึง่งศัพท์มันเนี่ยเอฮีปัจจิกนะูน่ะเอฮีพว่าไงนั่นมันบอกบังคับในตัวที่จะต้องให้แปลอย่างนั้นนย่างนั้นแปลว่ า, วาเอหีปัจโกท่าน จงมาทาดูธรรมของจริงแต่เรามาันหมายถึงว่าท่านหมายถึงนู่นเสียอะพวกปริยัติไม่ว่าท่านมาเราแหละก็แปลอย่างนั้นนี่ท่านจงมาดูธรรมของจริงดูคือปาจิโกนปัจิกะปัจิโกนแปลว่าดูแปลว่าเอหิหรือว่าท่านจงมาอ๋อถ้าแยกเป็นภาษาบาลีก็เลยว่าหิมันบอกบงังคับให้ขึ้นตวังตะวังแปลว่าท่านนั่นนั่นแหละนัลลคบาลีจงที ท่านจงมาเอ๊หินันจงมานะคือหินนั้นคือเป็นดียาอาขยาดบังคับให้ให้ขึ้นตะวันนะตะวันแปลว่าอนวัตแปลว่าอนวัตท่านเอ๊หจงมาในปาฏิครัวจึงดูทำของจริงนะคือให้เรียกร้องคนอื่นให้มาดูได้ทำของจริงหน่อนยะที่นี่เวลานี่แหละก า, ก, าการแปลประยะ ก, ก็แปลอย่างเดียวกันแปลเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะหลักบาลีบังคับผมหน่อทีนี่เวลาทำปฏิบับติไม่เป็นงั้นสิ ก็เราตั้งแร่องแปลนี้เราก็ได้แปลมาแล้วอืเราไม่เคยคาดเคยคิดเลยว่ามันจะมีเรื่องอะไรแปลกไปจากเอีิบาร์เจโกที่แปลอย่างนี้อีกนะมันไม่เป็นอย่างนั้นท่าธรรมนั่นแหละเนี่ยเบีย่ยงั่นนะถ้าธรรมนั่นแสอนเราเองเนี่ยมันกลับไปงั้นนะถ้าธรรมนั่นสอนเราเอเรี่ว่าท่านหมายถึงเราเนี่ยท่าธรรมมันอนะ่ะท่านสอนเราว่าท่านหรือเธออืม จ ง, จงมาคือเหมืย้อนจิตเข้ามานี่ว่างั้นนะจงมาเนี่ยหมายก็ว่าจิตมันจะส่งไปไหนไปไห น, ไไหนวุ่นมายไปไหนก็ตามไปให้ย้อนเข้ามาเนี่เอฮีให้เข้ามานี่นะมาดูนี่ดูนี่ดูนี่อเดียสัตติอยู่ตรงนี้ว่างั้นแห่นี่ภาคปฏิบัติเป็นงั้นนะนี่ผมก็ต้องขออ่านท่า ม, ามันย้อนก็ผิดก็ผิดไม่เห็นมีนะับผิราณเลยเรียนทั้งกระเรียนอย่างนี้ใครก็แปลแบบเดียวกันแต่เวลาภาคปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นสิมันเป็นขึ้นมาของมันเอง พระธรรมน่นนะสอนเราอ่ะนะว่าเนี่ยท่านสอนเราว่าท่านจงย้อนจิตเข้ามาดูธรรมของจริงอยู่ตรงนี้คืออริยสัจสี่อยู่ตรงนี้วะย้อนเข้ามานั่นแหละเอหิปัญญโกย้อนเข้ามาจงดูจงดูดูนี้โอปัญญโกเรื่องอะไรแล้วก็ตามให้น้อมคว่าเป็นอดเป็นธรรมน้องเข้ามาท่านสอนตนเห็นเขาทุกข์ให้น้อมเามา ส, อเาสอนเราเห็น เขาเล็งมันเถึงก็น้อมเข้มาสอนตนเองเทียบอย่างอันนี้เป็นโอปัญญย่กว่านี่น้อมกั้มานอะส่วนเองปัญญกว่านี่เหมือนกับว่าให้เข้ามาบางคราให้เข้ามาดูนี่เลยอริยสี่ตรงนี้ น, นั่นนี่ที่มันผิดกับทางภาพปฏิบัติโอยทางภาพปยัญชนาว่าผมไม่ได้เรียนเป็นมหาเขาจะดูถูกตรงนี่อันนี้เือฝ่ายทางปยัญชนะเราก็แปลให้ให้อย่างสมบูรณ์กัน ยกขึ้นก็ทั่งท่าที่พัดจัดใจจะว่าอะอีกเฮ้ยที่นี่ทางปฏิบัติเวลามันปฏิบัติเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาขึ้นมานี่ขึ้นมาในนี่เหมือนว่าทำตั้งสอนเราอยู่นี่สอนอยู่นี่มันก็ได้เรื่องนี้ขึ้นมาละสิเรื่องที่ไม่มีในปริยัติมันก็ได้ขึ้นมาเพราะมันเป็นอยู่กับนี่มันเป็นความจริงมันหนึ่งความจริงมันหนึ่งแต่มีในประยัตินี่ในปริยัติก็ตามแต่มันมีในความจริงที่มันเป็นขึ้นมานเวลา และปฏิบัติเหมือนว่าพระธรรมท่านสอนเราอ่ะเธอจงจงเข้ามาย้อนจิตเข้ามาคนเนี่ยดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูตรงนี้อริยสัจอยู่ตรงนี้นี่นะให้เข้ามาเนี่ยอย่าไปส่งไปข้างนอกบุญไหวความรู้เนี่ยมันไม่เกิดไปอยู่อะไรความรู้นะคําว่าส่งจิตน่ะคือความรู้นั้นให้เข้ามาตรงนี้ตรงนี้ดูตรงไหนเนี่อริยสี่ตรงนี้ของจริงอยู่ตรงนี้อยารู้ตรงไหนแม่ ท่านไปนั่นเลยนะการท้าปฏิบัติมันมันถนหนัดอารมณ์จริงๆก็มันได้ผลจากการปฏิบัติดีนี่แบบนี้นี่นะใงส่วนที่เราจ ะ, ะอะไรมันเราอยากจะพูดไปอีกแบบหนึ่งเคาจะว่าบ้าเราตามมันจะให้เรียกร้องเข้ามาดูทางมงกิ่งในเรียกร้องใครเขาจะว่าหาว่าบ้านนะไปหาเรียกร้องก็อะไรนี่อันนี้อันนี้เราก็อาจารย์อย่าให้ระบุนนะที่ผมเคยหูฟังาอาจารย์ที่ทั้งบีทั้งโมเวนะ่นอะ เป็นกล้ามาเรียนนั่นนั่นนั่นเห็นไหมเฮอยท่านไปกล้ามาเรียนแล้วท่านไปวีทบาศพอวีทบาศไปบาศไปแล้วพอไปเจอใครเขาตำข้าวแต่ก่อนมีโคกระเดื่องนะไม่ได้มีลงสงลงศีเหมือนทุกวันอ๋อสภายบาทไปสําเร็จแล้วยัางสเร็จแล้วยังหัวเขาไม่รู้ว่าสำเร็จอะไรก็สอนเขาจนกระทั่งจะลืมขันต่งขันหรือว่าไงอืพอเขารู้เรื่องกันตั้งบ้านแล้วก็แนะกันก็ตั้งบ้านท่านเป็นไอ้มาเรียท่านเป็นเพราะว่า ทำไงจะให้ท่านสะดวกให้ท่านไปฉันนันก็บอกว่าง่ายๆนี่เขาก็บอกว่ารู้แล้ววากันนะพอได้ามาเป็นงว่าสาเร็จแล้ววางกั น, ก น, น, นแล้วนามเยเป็นยงสเร็จแล้วยังว่าสาเร็จแล้วท่านป็ันไปท่านไม่ต้องสอนใครแท่านก็ไปฉันนั่นนั่นเรียกร้องคนอื่นมาดูมันจะเป็นอย่างนั้นนะํานอง น, ะองนั้นสำเร็จลยังนี่มาดูทำมงกิจเจ้าของยังไม่รู้ท้องกิจอะไรมาดูท้องกิจเขาจะว่าบ้าอยู่เลยไง มันมีส่วนที่จะว่าได้อยู่ตอนนี้แต่ไอธรรมชาติที่เราว่าเนียให้ย้อนเข้ามาที่จิตนะมันไปรู้ละส่งไปเพื่อนๆปั้นๆย้อนเข้ามานี่ที่มาดูนี่มาอยู่ตรงนี้สัจธรรมอยู่ตรงนี้ย้อนเข้ามาเอฮิท่านจงมาหมายถึงว่าย้อนเข้ามาทำพงศ์กิจอายะสัตติอย่างนี้ว่าที่นี่นี่ทําไมมาขวนนี่ไปนี่มันอยู่นี่ล่ะนี่ก็เป็นอย่างนั้นนี่เป็นท้าวปฏิบัต ที่เราปฏิบัติโดยลำพังเรามันเป็นย่งั้นจริงจนี่นะอ๋อประกาศรางวัลขึ้นในนี้หมายว่างไงที่นี่ยอมรับซะด้วยนะอ๋อจิตน้อมรับมันมันมันมันรับทันทีเช่นเดียวกับภาคปฏิบัติอื่นนะอันนี้ถังออกมาเลยย้อนตาบเข้ามาเดียร์ซันทิเโกอากาเดโกเอยิปติโ ก, อ โ, กโอปาญิโกนี่ตะกีนี่ไปถึงโอปาญิโก อู่เห็นอะไรก็ตามให้น้องพอเป็นธรรมสอนเด็กของสอนเด็กของเรื่องนี้เริ่มงชั่วอะไรให้โอปปะในกูขึ้นน้องเข้ามาเป็นเครื่องค่อมสอนเด็กของเรื่อยๆไปผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ปัจเจเนอยร์ดูโบวีนอันท่านรู้ท่านไหนจะพิ่งรู้จำพ่อตนใครรู้ใครผู้รู้ใครจะไปรู้ก็ผู้ปฏิบตัติเองจะเป็นผู้รู้จำพ่อตนผู้มาปฏิบัติเอาอะไรมารู้แน่ผมมาเหนื่อยแล้วอะละพอเหนื่อยอีกแล้วพูดกับมันไป ไม่เป้น